สองโมงสอหนาทีฮสองมงห้นทีมีไรไหมี mm ้หยคะอ่าคสิสิบอ่านาทีสินาที ทำซะ ก, ก่อนทำไมทำใครตั้งใครได้ตั้งใจฟังตลอดไม่ได้ส่งไม่ได้หลับไม่นุ้นนุนน่ไม่ได้นี้เอออ่าเป็นการอัดมันไว้บังคับมันไว้อืมอืม มีนักประมของตเป็นะไรนะังถามถูกครับแต่คำชื่อะไรเรียกว่าเขาเป็นชาวขุนถวายแด่เป็นถวายเป็นพระนครับรตัวามันไม่ดังแล้วนี่ฮะไม่ดังแล้วอืม ปิดแล้วเนี่ยเนี <c oughs> ่ยไฟออกอยู่แต่ว่ามันไม่ดังอุ <c oughs> ปชาท่านก็สอนมาแล้วนะท่านก็สอนสรุปสั้นๆมาที่อนุศาสตร์กรณียกิจสี่อาการณียกิจสี่เป็นเบื้องต้นที่ท่านเรียกว่าอาทิพระมะรยรรยาาสีขา การสอนมาเบื้องต้นกรณียกิจสี่การณิยักิจสีอักรณียกิจสี่เ <c oughs> ที่ยวบินทบาทหนึ่ง ราบวชมาเราต้องบิณฑบาตอายไม่ได้นะเมื่อก่อนนั้นหลวงพอ่อนึกอายเหมือนกันเอ๊เราจะไปบวชได้หรือเราต้องไปอุ้มบาตบิณฑบาตอายเขาแต่พุทธเจ้าเป็นหน้าที่ ท, ที่พุทาท่านมอบหมายให้พวกเราทําเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีท่านถือว่าโปรดสักเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเขาได้ทําบุญได้ให้ทานบิณฑบาตหนึ่งน่งห่มผ้าบางสุกุลหนึ่งมีสมัยก่อนนะ <c oughs> เพราะผ้ามันไม่ไม่เหลือเฟือเหมือนอย่างทุกวันนี้อ่า แม้แต่พระพาหิยะเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์แล้วยังไม่มีผ้าจะบวชนะต้องไปหาเขียอ่ผ้าตามกองขยะอยะ่างเพื่อนี่เอเอญาติตนหนึ่งอ่ะมันเคยเป็นศัตรูกันมันก็เลยไปเข้าสิงบัววัวแล้วไปชนตายท่านยังไม่ได้ถึงเพศนะแต่จิตก็ท่านเป็นพาาระอรหันต์ไม่ได้ถึงเพศแต่เขาก็เรียกว่าพระนี่หาผ้ายากสมัยนั้นชื่อแต่นุ่งห่มผ้าบางสกุล ผ้าบางสกุลคือผ้าคลุกฝุ่นผ้าเพื่อนฝุ่นแต่ทุกวันทุกวันนี้เราไม่ต้องนุ่งห่มผ้าบางสกุลเพราะเรามีผ้าสํานเบ็จเอากี่ชุดกี่ชุดกี่ชุดสั่งได้เลยเป็นร้อยก็ได้เป็นพันก็ได้เราสั่งได้เลยเดี๋ยวนี้ยุคสมัยทันสมัยผ้าไม่อดนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ํามุดเน่าหนึ่งนี่บวชมาแล้วท่านต้องถือแล้วก็อันนี้เป็น เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่ควรทำอักกรณียกิจรีบเข้าใจรีบทำความเข้าใจไม่งั้นเราจะได้รับโทษซะก่อนออให้เวนอักกรณียกิจทั้งสี่นั้นถ้าถ้า้นเวนรักของเขาได้ราคาห้ามสบหนึ่งเสพแมทหุนหนึ่งอวดอุตริมนุษธรรมหนึ่งอะไรอีกอันหนึ่งลืมแล้วฮะ ฆ่ามนุษย์ให้ตายหนึ่งนี่ฆ่ามนุษย์ให้ตายหนึ่งเศษเมถุนหนึ่งักของเขาได้ราคาห้ามสดหนึ่งอีกอันหนึ่งอะไร อ, อวะอดุตริมนุษยธรรมคำว่าอดุตริมนุษยธรรมนี่หมายความว่าเราไม่มีฌานแต่อวดว่าเรามีฌาน เราไม่มีสมาธิแต่อวดว่าเรามีสมาธิเราไม่ได้มักไม่ได้ผลอวดอ้างว่าเราได้มักได้ผลเพื่อให้เขาเลื่อมใสศรัทธาเราจะสังเกตเห็นว่าครูบาอาจารย์ทั่วไปท่านจะพูดเป็นกลางกลงให้พวกเราได้ยินได้ฟังเท่านั้นบางคนชอบมาถามท่านจังๆท่านตอบไม่ได้เพราะท่านมีวินัยกำกับถามไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ถึงกระนั้นก็ตามบางองค์ท่าน ไม่ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเลนี้ท่านก็นไปพูดโอยคนชอบมากอ้าปากว๊านี่คืออการณยกเทีิ์เช่นอย่างาเศษษมีถุนขาดจากความเป็นพิสุพิสุเรานี้เราสำเร็จรูปมาด้วยการสวดสมุติจากสงฆ์ถึงแม้ว่าเราจะไปเบลยกายเลือแต่เอาผ้าออกหมดเลือแต่กายร้อนจัเราก็ยังเป็นสงฆ์อยู่ เรายังเป็นสงฆ์อยู่ไม่ใช่ไปดึงผ้าดึงอะไรออกหมดแล้วกลายเป็นคฤหัสไม่ใช่จะต้องมีการศึกอย่างเป็นกิจจารลักษณะจะต้องเปล่งวาจาด้วยตัวงตัวเรองว่าเราขอลาสิกขามันถึงจะเป็นพฤหัสได้เช่นอย่างพระบางองค์ท่านท่านมีโทษนทางเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองเขาไปจับเอาผ้าท่านออกหมดเอาให้ท่านไปนุ่งขาห่มขาวพอเวลาท่านหมดคดีท่านไปนุ่งผ้าเหลืองอีกตามเดิมได้ท่านไม่ผิดท่านไม่ได้ขาดจากความเป็นพระ แต่ถ้าท่านเสพเมทูล์เนี่ยถึงไม่ต้องออกถึงจะนุ่งผ้าอยู่พอมผ้าอยู่อย่างนี้ท่านก็ไม่เป็นพระผ้าสัตว์ถ้ามนุษย์ให้ตายถึงจะคลองเพศเหล่ออานี้แต่ท่านก็ไม่เป็นพระขาดจากความเป็นพระที่เรียกว่าปราชิกปราชีกวดวดอุทริ ม, สมุสุสามอะไรอีกมันไม่เคยได้คิดบ่อยมันก็เลยไม่คล่องขาดจากความเป็นพระ บางคนขาดจากความเป็นพระและยังอยู่อยู่ใช้ปัจจัยทั้งสี่ของเขาใช้อะไรบ้างเล็กๆนั่นป่อู้เป็นเวนเป็นไัเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งทับถมตัวเองทวีคูณเป็นทวีคูณท่านยิงให้ธรรมะระวังมากอ่าเขาเรียกว่าปราชิกปราชิจเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ไม่สามารถที่จะรักษาพรหมจรรย์ของตัวเองได้คนเราถ้าหากเราหล้วมตัวเสียแม่ทุนปั๊บหมดสภาพแล้ว สภาพความเป็นพระหมดแล้วมันกลายเป็นการมาสุขาริการุโยกแล้วมันไม่ใช่มัจจิมาปฏิทามันเป็นการมาสุขาริการุโยกอวดอุตริมุตธรรมโกหกโกหกอย่างยิ่งใหญ่พุทธิยท่านปราบไม้หมดฆ่ามนุษย์ให้ตายนี่ยโอ้ขนะดฆ่ามนุษย์ให้ตายแล้วทําไงหัวใจจะเป็นพระได้ยังไงอ่าเป็นฆาตรกรที่ที่ร้ายการเป็นพระไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงปรับขาดจากความเป็นพระ และขาดจากความเป็นพระอีกอย่างหนึ่งก็คือขอลาลาสิกขาแต่ถ้าหากไม่ผิดประดิกข้อใดข้อหนึ่งไม่ผิดเขาสำคัญมั่นหมายใส่ร้ายไปไป้ายสีให้โทษท่านว่าท่านขาดจากความเป็นพระไปดึงผ้า ด, ดึงอะไรท่านออกท่านยังเป็นสองอยู่ท่านยังเป็นพระอยู่แต่ถ้าหากท่านได้กล่าวว่าที่ครั้งปัจจค้ามิข้าพเจ้าลาสิกขาที่ยิติมังทาได้จงจงจำข้าพเจ้าวไว้ว่าเป็นขืนหักอย่างนี้ท่านถึงจะขาด ขาดจากความเป็นพระท่านจึงให้เปล่งจังจัตัดสินใจสําคัญมั่นหมายว่าเราเป็นพระธาจริงๆถึงจะถึงจะเป็นถึงจะเป็นคระธาตได้เนี่เพราะเพราะเวลาสวดสวดโดยวิธีการที่สวดสมมติอย่างดีเพราะฉะเราบวชเข้ามาแล้วสิ่งที่รเราควรระวังที่สุดก็คือไม่ให้ต้องรอะบตดประราชิกนอกจากนั้นแล้วก็ระบาดสังขาเรเสด็จก็ต้องระวังอีกสมมติเราบวชปั๊บเนี่ยเวันเนี่ยต้องอบัาดสังขาเรเสดเนี่ยไปดูมีอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อ2องข้อสข้อสถึงข้อ13 แล้วไปดูถ้าเราต้องแล้วถึงวันศึกเราศึกไปเฉยเราทําเฉยอยู่แต่เรารู้ว่าเราต้องบวชอีกเราต้องไปอยู่กรรมนะถ้าหากเราไม่ไปอยู่กรรมเรารู้้สมัยระบวชเราต้องอาบัตต่างกันเสยียสิทธกรรมตัวนี้มันทับถมอทัศน์มหากาินัยก็หนักหนองเหลือเกินมันเป็นทุกข์อยู่ให้หัวใจขึ้นชื่อว่าอาบัตขึ้นชื่อว่าอาบัตก็าา ค, คือบาปแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวอาบัติคือความชั่วหยาบ คือบาปกรรมแต่ละตัวแต่ละตัวท่านจะให้เรามาระวันเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธการเนี่ยมีคุลบุตรบวชเข้าไปแล้วไปศึกษาโอ้ยจบศึกษาเรื่องศีลไปหาอาจารย์วินัยทรนโอ้เธเรื่องวินัยยังงั้นโอ้เธอไม่ไหวจำไม่วันไม่ไหวไปหาอาจารย์ทําอัครถึกเทสน้าไหลไปดับนี่นั่นทั่นนั่นนโอ้ไม่ไหวรับไม่ไหวสงไม่ไหวขอศึกขอศึกไปหาผู้ดีญาตเออเธอไม่ต้องเอามาก ม, มายมากมายถึงขนาดนั้นเธอเอาอย่างเดียวได้ไหม เอาใจของเธอดูใจของเธออย่างเดียวเพราะฉะนั้นการทั้งใจปฏิบัติจึงถูกถูกต้องที่สุดการทั้งใจภาวนาอย่างเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธในเมื่อเราสํารวมมาที่ที่พุโทโธตัวเดียวนี้ตัวนี้แหละมนันตัวมันเป็นตัวที่จะไปแสดงกิริยาเพื่อความผิดสินผิดทรรมผีลายต่อไร่ตามมาเราสํารวมตัวนี้อยู่แล้วมันก็อยู่มันก็อยู่มันก็อยู่เรายิ่งเราคอยจับกิเลสด้วยแล้วเหมือนกับเหมือนกับ ท่านอุ ป, ปมาเน่ยซัมเนนที่สอนพระโพธิรัตเน่ยนะมนะีเฮี้ยอยู่ในจอมปลวกจะจับได้ยังไงเนก็เลยสอนพระโพธิรัตโพธิลัตเนี่เป็นคณาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากอไปให้ใครขอใครเป็นอาจารย์ก็ไม่มีใครรับตั้งแต่หัวหน้าประไปจนถึงซัมเนนเนี่ยนะแต่เป็นสัมเนียพระอาหารหันะสัมเนีนอาหารหันต์เอ๊ะทำไมผมจะสอนท่านได้ท่านเป็นคณาจารย์ที่ใหญ่ถึงขนาดนี้พระก็เลยเอาเช่เเนนะเอาเนเอาซะหน่อยเถอะเนียน อาเมตตาซะหน่อยสอนเพนซะหน่อยเนนก็ลองใจหมดทุกอย่างให้ลงใจอาให้ลองไปในน้ำจมๆเดี๋ยวจะเปียกขึ้นมาแต่เอาวันนั้นในกอภัยอามามาโอเดี๋ยวมันเกาะผ้ากาะอะไรดึงออกมาหล่อใจลองใจเพื่อลดทิฏฐิลดมนะพอรู้ว่าทิฏฐิมนะลดลงแล้วจึงสอนสอนว่าเอาให้มีมีมรูหกรูมีเหี้ยอยู่ในจอมปลวกมีรูหกรู ต้องการจะจับเหี้ยตัวนี้เราต้องอุดห้ารูเอาไว้แล้วก็จ้องอยู่กับรูเดียวเรารูอันนี้เป็นอุปมาเราบวระยะสั้นเราพยายามรักษาตัวนี้พยายามจ้องอยู่กับรูเดียวทิจใจของเราค่อยดูตั้นามโผล่ขึ้นมาปั๊บปั๊บปัป๊ปผู้ที่เฝ้ากำกับดูแลรูอันนี้คือตัวสติตัวสัมพัญญะพระมันโผล่ขึ้นมาปั๊บมันรู มันเกิดมันเกิดอยู่ที่เดียวมันก็จะดับอยู่ที่เดียวรอขึ้นมาปั๊บมันก็ดับในเมื่อเราระวังอยู่มันไม่เกิดเราสังเกตดูกันแล้วกันเวลามันจะเกิดมันเผลอๆคล้ำปุ๊บมาเลยปุ๊บพับโดยเหตุที่เราระวังไปปั๊บทันแน่บางทีปั๊บปัไปสองสามขณะไปแล้วเรายังทันอยู่กับว่าดีบางคนไปเจรือเบิดเปิงไปถึงทวีปไหนก็ยังไม่รู้ไม่ทันมันทันปั๊บมันดับทันปั๊บมันดับ บางทีมันนูนนูนม่จะไม่จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่กล้านูนมาพอเราเล็คลิ้มันพผล่ปั๊บปัดยเหตุที่เราระวังดับท่านให้ฝึกซ้อมอยู่แค่นี้ตรงนี้จับเหี้ยได้ทั้งหมดเหี้ยมีอยู่เท่าไหร่กิเลาสฐานะสวะหยดหัวใจของเราทั้งหมดเท่าไหร่มันพผล่มาช่องเดียวตรงนี้จับได้หมดเหมือนกับเหี้ ย, ยเหี้ยอยู่ในจอมปลวกจับได้หมดด้วยเหตุที่เราบดระยะสั้น เราไปเรียนหมดแปดหนส่พัระธรรมขัดมาไม่หวั่นไม่ไหวหรอกครับเอาพุทโธตัวเดียวนี่ยกับสกับสัมมาสติตามหลักนาซีปัฏฐานเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมีสติกำกับอุปนิยบทหรือจับอะไรก็จับยากเราเอาอันนี้แหละง่ายที่สุดพุทโธพุทโธพุทโธเดินยืนเดินนั่งนอ น, น, อนกับพุทโธพุทโธพุทโธุโธโดยเหตุที่เราเอาจิตของเรามาทำงานตัณหามันไม่แสดง ้วถ้าล้มเหลอวมันแทรกเข้ามามันสวมรอยเอาไปใช่เลยแม้แต่เรากําหนดจดจอรูปรูปที่เป็นรูปชิดเฉยนี่แหละเราดูไปแต่ตันหามันแทรกเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นรูปเป็นแสดงบทบาทต่อหน้าต่อตาเราทั้งที่รูปเฉยรูปตายเนี่ยรูปนิ่งเนี่ยเราดูมันไร้กาดขนาดนั้นนะพยายามดูดูที่นี่จะเห็นจะเห็นโยเยแย่เขี้ยเต็มหมดเลยนี่ <laughs> อคนะนะมีมีเวล า, นาลวเนมะ